ทรงประชุมทรงบัญยัติสิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพระเทวทัตว่าเทวทัตทราบว่าเธอรู้อยู่ฉันบิดาบัตที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมจริงหรือพระเทวทัตทูลร่าว่าจริงพระพุทธเจา้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าโมฆะบุรุษฉนัยเธอรู้อยู่จึงฉันบิดาบัตที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมเล่าโมฆะบุรุษ